ปฏิสัมพิทานนี่เก็บเข้าตูตั้งนานนะถ้าใครมีในนี้มีอยู่หลายคนบอกโอ้ชอบเรียนปฏิสัมพิธามากชอบเรียนเกินกว่าหนึ่งอา้าวหลายคนในสองคนก็นชื่อว่าออหลายแหละทีนี้ปฏิสัมพิทาเนี่ยนะโดยศัพท์แล้วว่าปัญญาเครื่องแตกชานที่จําแนกโดยประเภทได้ คือปัญญาที่สามารถแบ่งประเภทอนะนี่ยเาบอกว่าในโลกนี้คนฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรก็สามารถแบ่งประเภทในเรื่องนั้นได้มากคนที่สามารถแบ่งประเภทได้มากเรียกว่าคนมีปัญญาปฏิสัมพิทาก็คือปัญญาที่ทําให้รู้จักแบ่งประเภทแบ่งประเภทแห่งอัฏฐะแบ่งประเภทแห่งธรรมะแบ่งประเภทแห่งริรุติแบ่งปฏิประเภทแห่งปฏิพันธ์ปัญญาที่สามารถจําแนกแจกแจงแบ่งแยก ประเภททั้งหลายได้นี่เรียกว่าปฏิสัมพิธายามปัญญาที่พิจารณาแบ่งแยกสามารถ เ, าเรียกว่าสามารถมองเห็นความหลากหลายความแยกความย่อยของสิ่งต่างๆได้ทั้งคำว่าปฏิสัมพิทานั้นจึงเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญา ปฏิสัมพิทานั้นที่เราเรียนเนี่ยหมายถึงคมภีที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่สามารถจำแนกแบ่งแยกประเภทของอัถ ธ, ธรรมะนิรุติปฏิพานนะเลยเรียกว่าคมพีปฏิสัมพิธาเพราะว่าผู้ที่เรียนคำพีนี้เรียนด้วยความรู้ความเข้าใจก็เป็นอุปนิสัยให้ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ก็เป็นปัจการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุปฏิสัมพิธาต่อไปใน อนาคตสําหรับผู้ที่เป็นพระเสขะอยู่แล้วปัญญาของเขาก็จะแตกฉานยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้พูดถึงปฏิสัมพิทาเนี่ยนะทั้งหมดนี่มีอยู่สามวร์ควร์ละสิบเรื่อ ง, องนะทั้งหมดมีอยู่สามสิบเรื่องปฏิสัมพิธาทั้งสามสิบเรื่องนั้นนะะเรื่องที่หนึ่งที เ, เรื่องยานนะเรื่องยานเป็นเรื่องต้นมาติกาเป็นเรื่องสุดท้าย เรื่องยานเนี่ยนะโดยปกติยานะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบสามยานนะเจ็ดสิบสามยาน น, นั้นเอาทั้งทั้งหมดนะนะเรียกว่ากลุ่มปัญญาที่มีอยู่ในโลกประมาณเจ็ดสิบสามกลุ่มด้วยกันแต่ว่าหกหกอย่างสุดท้ายเรียกว่าอาสาธารณะยานหกเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วก็ถ้านับตั้งกระถอยหลังขึ้นมาอีกสิบสี่ยานบางทีก็เรียกว่าพุทธยาน นะพุทธยานพุทธยานมีอะไรบ้างพุทธยานปฎปฎยานในอริยศาสตร์สี่ยานในปฏิสัมพิทาสี่ยาน อ, อาสาธารนัยยานหกเรียกว่าพุทธยานสิบสี่เนี่ยนะพุทธยานสิบสี่เป็นต้นทีนี้ในบรรดาญานทั้งหลายญานะทั้งหมดทั้งเจนะ็สนะิบสามญาณะยหรือปัญญาที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือยานอันแรกคือสุตตมยายาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภาษาวกทั้งหลายอนาสุตาเมยายะญาณ น, นี้ถือว่าสําคัญมากถ้าเป็นพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เน้นพิเศษคือจินตามะยะปัญญาเพราะว่าความที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญมามากแล้วเมื่อท่านสั่งสมบุญมามากแล้วการพิจารณาของท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาท่านสามารถคิดได้เห็นดอกบัวโรยดอกเดียวเนี่ยนะดอกบัวโรยดอกเดียวท่านก็บรรลุได้แล้ว เพื่อท่านเป็นผู้มีปัญญาไข้ครวนมากฟังเขาร้องเพลงเรื่องของเขาก็บรุ้นได้นั่นสําหรับผู้ที่เขามีบุญแต่ผู้ที่ยังไม่บีบุญเนี่ยนะหรือบุญน้อยก็ต้องอาศัยเพาะเชื้อก่อนเนี่ยนะเอาอุปนิสัยก่อนอาศัยอุปนิสยัยเนี่ยนะเรียกว่าอุปนิพันธ์อ่าก็อานันะอุปนิสยาโคอุปนิสยาโคจร พันธเราต้องศึกษาพระธรรมเพื่อให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวเพื่อรับอุปนิสัยก่อนรับอุปนิสัยจากธรรนะตรัยรับอุปนิสัยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับอุปนิสัยในการตรัสรู้ถ้าเราไม่มีอุปนิสัยมาก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะตรัสรู้พันธ์การศึกษาพระธรรมก็คือเบื้องต้นเบื้องแรกเป็นการเรียนเพื่อเอาอุปนิสัยเอาอัธยาศัยอุปนิสัยคือเหตุที่จะทําให้บรรลุ มรรคผลแล้วก็เรียนเอาอัธยาศัยอัธยาศัยที่ดีๆเพราะปกติแล้วรวมๆแล้วหมูสัตว์นั้นอัธยาศัยไม่ดีมันก็ต้องเรียนเอาอัธยาศัยที่ดีจากพระรัตน์ไต ร, ตรอัธยาศัยที่ดีที่เราเรียนก็คืออัตเนธคธรรมัธยาศัยอนนะไ เข้ไปเรียนเพื่อเอาอโลพัทยาสายเรียนเพื่อเอาอโทสัตทยาสายเรียนเพื่อเอาอโมหัตทยาสายเรียนเพื่อเอาเนคคัมมัตทยาสายเรียนเพื่อเอาวิเวกัตทยาสายและก็เรียนเพื่อเอานิสรณัพทยาสายดังั้นการฟังธรรมผู้ที่ฟังเป็นนั้น่ะเบื้องแรกที่สุดก็ฟังเอาอัธยาสายก่อนอนะอัธยาสายที่ไม่ดีจะได้ทิ้งไปจะได้ถือเอาแต่อัธยาสายที่ดีไม่ใช่พวกอนุรักษ์อัธยาสายนิยม นนะถ้าอัธยาศัยดีอนุรักษ์ไปได้เลยแต่อัธยาศัยไม่ดีไม่จําเป็นต้องอนุรักษ์อะไรไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องส่งเสริมไม่ต้องให้ท้ายอ่างนั้นไม่ต้องสนับสนุนว่าเออเขามีอัธยาศัยอย่างนั้นก็เลยชมใหญ่เลยเชียร์ใหญ่เลยก็ดูทิ่ถ้าลูกเรามีอัธยาศัยยาเสพติดสนใจไม้มล่ะส่งเสริมต่อไปไหมเนี่ยนะไม่เขารีบเอาบําบัดเร็วที่สุดเท่าไหรย่ยิ่งยิ่งดีฉันใดก็ดีผู้ที่รู้ว่าอัธยาศัยไม่ดีก็ไม่ต้องส่งเสริมไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องเพิ่มพูนไม่ต้องให้ท้าย แต่ถ้าเป็นอัธยาศัยที่ดีควรจะอนุโมทนาควรที่จะสนับสนุนควรที่จะส่งเสริมเพราะการฟังธรรมของเราก็ฟังเพื่อเพื่อให้มีอัธยาศัยที่ที่ดีเนี่ยนะตัวในค้างหนังนะการฟังธรรมอันหนึ่งที่สําคัญก็คือฟังเพื่อส่งเสริมอะ โ, โลพัฒยาศัยส่งเสริฟฟังธรรมเพื่อกําจัดอัธยาศัยแห่งความโลภฟังธรรมเพื่อกําจัด อัธยาศัยแห่งความโกรธฟังเพื่อกําจัดอัธยาศัยแห่งความลุ่มหลงอันนี้แหละเขาเรียกว่าอะโลภัธยาศัยอะโทสัตธยาศัยและอโมหัธยาศัยเพราะอะโลภะแปลว่ากําจัดความโลภอะโทสัตแปลว่ากําจัดความโกรธอโมหะก็คือกําจัดความลุ่มหลงพันฟังเพื่อกําจัดความ โ, โาลภ ค, ค, ค, ค, ความโรกรธความหลงให้มีอัธยาศัยอันนี้ อนะอัธยาศัยที่ดีเหล่านี้แล้วก็เนคคำมัตยัธยาสัยก็คือมีอัธยาศัยที่จะเห็นโทษในวัตถุกรรมด้วยอํานาจของกิเลสการรมั้นมุ่งที่จะออกแล้วก็วิเวตกัตยธยาสัยก็เห็นโทษของการคลุกคลีเห็นโทษของการเกี่ยวข้องแล้วก็นิสรณนัยทธยาสัยก็เห็นโทษเห็นภายในวัตตะทั้งหลายว่าวัตตะมีทุกข์มีโทษมีภัยดันั้นการฟังธรรมก็ฟังเพื่อเอาอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ในการฟังเนี่ยน ะ, ะที่เรียกว่าสุตะมายญาณโดยเฉพาะใช้คำแรกก่อนว่าสุสุตตะมายญาณในในโลกนี้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่สุดของโลกเลยนะอะไรเอ่ยในโลกในทั้งมวลเลยนะสิ่งที่ดีที่สุดนี่มันคืออะไรในโลกนะใช้คว่าโลกนะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี่คือปัญญา ปัญญานี่คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศสูงสุดที่สุดในโลกเหมือนคนเดินทางในายามค่ําคืนแสงสว่างเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดฉันนั้นเ <c oughs> ดินเดินทางในสิ่งที่ที่มัน อ, อันตรายเนี่ยนะหนทางเต็มไปด้วยความขรุขระแล้วก็มืดด้วยทางไกลด้วยแสงสว่างนะ่าจำเป็นมากถ้าถ้ามีแสงสว่างก็สามารถที่จะมองออกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะในโลกนี้ในโลกคือชีวิต ในโลกคือการดำเนินชีวิตทั้งหมดนั้นปัญญาคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี้ทวนอีกครั้งว่าปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างเยนะปัญญาอาโลโกปัญญาโอภัโสปัญญาปัจโชโปปัญญาปัจโชโตปัญญาปฏีโปะนี่นะปัญญาเหมือนประทีปปัญญาคือโอภาษปัญญาคืออะไรนะสิ่งที่โชดช่วงชัชวาลเป็นต้นปัญญานั้นคือสิ่งที่สาคัญมาก เพราะถ้ามีปัญญาอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรนะอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอะไรอ่ะเอาอะไรเป็นอะไรนี่แล้วมันอะไรล่ะอะไรไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คือนะสังขารธรรมทั้งหลายสังขตะธรรมทั้งหลายเพราะน้ะการฟังเนี่ยนะฟังเดี๋ยวจะกล่าวหัวข้อของสูตรตามายายามต่อไปแต่ให้รู้เถอะว่าปัญญานี้สําคัญที่สุดเพราะคนที่มีปัญญา จะรู้ว่าอะไรจะเจริญอะไรเสื่อมขณะเดียวกันปัญญานี้เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทุกชนิดเป็นเบื้องต้นแห่งโพธิปัจจะธรรมทั้งหมดเป็นเบื้องต้นแห่งการตรัสรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจอริยมรรคเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นเบื้องแรกการบรรลุมรรคมีไม่ได้หรอกเพราะความเข้าใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทักก่วกลาง การความรู้ความเข้าใจนี้เป็นเบื้องต้นแห่งการให้ทานรักษาศีลเป็นเบื้องต้นแห่งบุญกิยาวัตถุทั้งหลายเป็นเบื้องต้นแห่งบารมีทั้งหลายเป็นเบื้องต้นแห่งคุณธรรมทั้งหลายเพราะผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจดีสามารถที่จะเจริญคุณงามความดีหรือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้ความเข้าใจนั้นถือว่าเป็นตัวที่สําคัญที่สุดถ้าไม่เข้าใจบรรลุไม่ได้หรอกนั้นพระองค์จึงบอกว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเบื้องต้นแห่ง กุศลธรรมนะนะสัมมาทิฏฐินะเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมก็คือเป็นเบื้องต้นแห่งการบรรลุมรรคผลทั้งหลายและขณะที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะถ้าเรามีปัญญาเราก็แยกอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะแยกเป็นแยกมิจฉามรรคแยกสัมมามรรคถ้ามีปัญญาก็แยกสัมมาสังกปะมิจฉาสังกปะแยกได้ถ้ามีปัญญาก็แยกว่าอะไรเป็นมิจฉวาจาอะไรเป็น สัมมาวาจาถ้ามีปัญญาก็แยกอะไรเป็นสัมมากัมมันตะอะไรเป็นมิจฉากัมมันตะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาชีวะมิจฉาชีวะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาวายามะอะไรเป็นมิจฉาวายามะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิ ajo, อะไรเป็นมิจฉาสมาธินั้นปัญญานัออ้นเป็นเป็นเครื <SM C> มม right ่องจำแนก เป็นเครื่องคัดสรรเมื่อมีปัญญาก็จะทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาราะออกไปถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระพราะเมื่อพิจารณาอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ทิ้งมิจฉาทิฏฐิออกไปถือเอาแต่สัมมาทิฏฐนะิถ้าถือเอาหัวหน้าแล้วบริวารก็เท่ากับถือเอาด้วยถ้าทิ้งหัวหน้าคือมิจฉาทิฏฐิบริวารของมิจฉาทิฏฐิก็ชื่อว่าทิ้งไปด้วยถ้ามีปัญญาอย่างเดียวก็เลือกเอาสัมมาสังกัปปะทิ้งมิจฉาสังกัปปะ ถ้ามีปัญญาก็เลือกถือเอามิตรเลือกถือเอาสัมมาวาจาทิ้งมิจฉาวาจาออกไปถ้ามีปัญญาก็จะเลือกเอาสัมมาสังกปะทิ้งมิจฉาสังกปะถ้ามีปัญญาก็เลือกถือเอาสัมมาชีวะทิ้งมิจฉอาชีวะถ้ามีปัญญาก็เลือกเอาสัมมาวายามะทิ้งมิจฉาวายามะถ้ามีปัญญาก็เลือกเอาสัมมาสติทิ้งมิจฉาสติถ้ามีปัญญาก็เลือกเอาสัมมาสมาธิแล้วก็ทิ้ง มิจฉาสมาธิถ้ามีปัญญาก็ทิ้งมิจฉาตรธรรมถือเอาแต่สัมมัตะทิ้งความผิดสารพัดชนิดถือเอาแต่ความถูกต้องเพราะปัญญานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีสาระถ้ามีปัญญาแล้วจะเลือกเฟ้นถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเพราะปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคำภาษารีบทึงเลือกเอ่ยยกปัญญามามากล่าวแต่ที่สำคัญเนี่ยนะ ปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอนะหลายคนแสวงหาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องว่าไอข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนอนะการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเข้าใจผิดปฏิบัติผิดถ้าเข้าใจถูกปฏิบัติถูกนะเข้าใจถูกเท่าไหร่ก็ปฏิบัติถูกเท่านั้น เพราะความเข้าใจที่ถูกนี่แหละเป็นปัจจัยให้แทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจไม่ได้เกิดไม่ได้แทงตลอดเพราะความรู้ความเข้าใจผิดผิดแต่การบรรลุอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจเพราะความรู้ความเข้าใจที่ที่ถูกต้องความรู้ความที่เข้าใจที่ถูกต้องนี่แหละเป็นเหตุให้แทงตลอดขันธาตุอริยตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยการ เลือกเอาแต่ปัญญาเนี่ยนะไม่ตกไปในอุเฉท ท, ทิฐิไม่ตกไปในศัสตทิฐิอ่า น, นะไม่เป็นปุพันตะทิฐิและอปรันรตะทิฐิเพราะว่าเป็นสัมมาทิฐิ ท, ที่รอบรู้อ่า น, นะรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทั้งอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลต่อไปเนี่ยนะปัญญาจะรอบรู้ทั้งหมดเมื่อรอบรู้สินี่ปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้ตั้งหลักของชีวิตได้ ว่าชีวิตควรดําเนินทางใดควรเลือกทําอย่างไรเลือกพูดอย่างไรเลือกคิดอย่างไรเลือกทำเลือกพูดเลือกคิดอย่างไรแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นต้นนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญน่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะเป็นเป็นการแก้รับที่มิจฉาทิฐิได้ทุกประการด้วยกันทีนี้ปัญญาเนี่ยนะอ่าอีกอันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาใน73ปัญญาหรือญาณ73ญาณเนี่ย ถือว่าเป็นสุตตามยญาณนี้ ย, ยนนถือว่าสำคัญในบรรดาปัญญาที่ยกย่องชมเชยมากมายเนี่ยนะสุตตะมยญาณนั้นสำคัญที่สุดเพราะเพราะอะไร